ทำก็ทาให้เป็นทำก็ไปดูทำให้มันเป็นไม่ใช่สุมส่มๆเดาๆแล้วประเทแล้วก็เสียยวลามัเสียมันเสียหายเดดูเครื่องอ่ะสองตัวนะพังหมดนะเครื่องตัวเขียวกับตัวเหลือง ตัวเหลืองราคาตั้งหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นั่นนะ่ะพังเครื่องยังไม่ได้บอบช้ำเลยพนะังแล้วหาอะไรก็ไม่มีดูให้เป็นใช้ให้เป็นทำให้เป็นทำให้เป็นมันเสียหายนั่นนะ่ะเสียหายหมดหาอะไรไม่มีก็ทิ้งนะั่นน่ะ ตอนที่เครื่องใหม่ยังไม่ได้บอบช้ำอะไรเนะยฝาสูบเสื้อสูบอะไรฟังไปหมดกระตูกเขียวก็พังหมดแกนทั้งเท่าแขนนะ่ยแกนเปล่ามันหัก ทำไม่เป็นทำไม่เป็นมันเสียหายคนที่เขาเป็นก็ถามกันศึกษากันดูการสนใจทำจริงจังครึ่งกลางกลางนี่แหละมันเสียนะเป็นเรื่องไม่เป็นกแบบ็ททำพอแก้ขัดแล้วก็บางคนก็ประเภทว่าไม่สงสัยอะไรละ ไ่จับไปทำผิดถูกไม่รู้แล้วเสียละเลสียหมดสองตัวเลยเครื่องตัวใหญ่ไอตัวเขียวนี่ก็หาอะไรมาซ่อมได้พอเปิดทดลองดูก็ได้พังอีกมีวันนี้เอาได้ไปซ่อมวันนี้ หามันหักจําเป็นของเหล่านี้มีเครื่องสองตัวนี่ก็เพราะอะไรก็เพรา ะ, ะเราไปเจาะบาดานเนี่ยเพราะเราไปเจาะบ่อบาดานเอาเครื่องอื่นไปชุดมันก็ไม่ไหวก็เลยต้องมีเครื่องที่มีกําลังสูงหน่อยไอ้ตัวหนึ่งก็แปดกิโลไอ้ตัวหนึ่งก็สิบสองกิโลหรับสูบสำหรับสูบน้าําเพราะมันมีช่องหนึ่ง น้ำฝายเรามันแห้งน้ำฝายแห้งไม่กี่วันเนี่ยเดือดร้อนล่ะน้ำใช้ไม่มีเดือดร้อนต้องเทศบาลเขามาส่งมาส่งไปส่งไปส่งไม่กี่เที่ยวเองเขาทำท่าจะให้เราซื้อน้ํานะก็มี คนเขาแนะนำว่าโอยอย่าไปซื้อน้ำเลยเราหาเจาะน้าบาดาลก็เลยไปให้ใบตะบาดาลมาเจาะให้เจาะบาดาลแล้วไม่มีเครื่องอีกหาเครื่องอีกเครื่องหนึ่งตัวตัเครื่องหนึง่งเครื่องโ ร, ง, รงสีเก่าก็พอใช้ผสมระเสป쇄ปุปปะปะทีแล้วเราก็สงสารหมูมันไปหมุนจนจะเป็นลมเป็นแรงอ่ะกาจะติด ไปเอาเครื่องตัวใหม่มาคีปอ่อคีปอ่อเครื่องคีป่อราคาตั้งแสนกว่านะมาใช้ไม่ถึงสามปีมั้งนี่พังนี่พังแบบซ่อมไม่ได้ไม่มีอะไรแล้วก็ระยะนี้ก็ไม่มีอะไรหล่องสุบบาดานเด้ บอ่อบาดาลนเนี่ยคเอาสำรวจเน่ยไอตัวเครื่องดูดเน่ยไปอยู่ลึกที่หกสิบนู่นมันใส่ลงไปลึกหกสิบเมตรนั่นนะและบอ่อเราก็ตื้นแค่เจ็ดสิบสองเมตรบ่อบาดาลวะนานๆเราไม่ได้ลองดูเดี๋ยวเดี๋ยวตะก่อนที่ดินไปทมเครื่องเนี่ยครับเจียงอีกมันจะเจียงแล้วเจียงอีกนะน่ะ เพราว่ามันเครื่องมันอยู่ต่ําสักหน่อยหนึง่งหน้าฝนเนี่ยตะกอนมันลงไปเนละลงไปทุ้มมาเขินขึ้นมาเขินขึ้นมาเคขินเขมาทับเครื่องกับเปิดไปกับติดเท่านั้นแหละที่เราเจ้งอยู่ในนั้นแหละให้เป็นคนจริงจังดูอะไรก็ดูให้จริงจังรู้ก็รู้ให้จริงจังใช้ประโยชน์ได้ อยากรู้ก็รู้ก็เรียนรู้ถามจากผู้รู้รู้แล้วก็ตั้งใจจริงจังให้มันใช้สอยได้ยันมันเสียหายเนี่เสียหายวันเสียหมดสองเครื่องแล้วตอนนี้ใช้ไม่ได้สักเครื่องไอ้ตัวตัวเครื่องเหลืองนี่มันรู้ใดมันพังด้วยหรือเปล่าตัวเครื่องเหลืองเนี่ยแต่ตัวเครื่องมันพังหมดแล้ว โรถามอะไรที่ไหนก็ไม่มีฝาสูบฟังผาสูบกงถูกกระแทกยันพังหมดเสื้อสูบฝาสูบพังมดปีไรปีส8ปีส8ปหรือปี49เก้านี่ยน้ำแห้ง ตองไปเจาะบาดานน้ำฝ้ายมันแห้งหลังจากแห้งแล้วเราก็ให้เขาลอกออกอตอนตอนตอนนั้นมาก็ไะเจาะบาดานไม่กี่วันก็ได้ใช้สูบ ก, ก็ต้องไปมีบอ่อพักอกีกต้องมีเครื่องสูบมีบอ่อพักปีนั้นนะแล้วก็เป็นลอกฝ้ายลอกฝ้ายหมดอีกแสนกว่า บ่ ก, ก็เลยสะอาดขึ้นจุน้ำได้เพิ่มอีกขึ้นอีกเยอะเพราะหลังจากนั้นมาก็ไม่เคยแห้งอีกบกนะ่เนี่ยบ่ฝายเราเนะ น, นี่ะนู่นอยู่ข้างบนห่างจากนี้ไปหนึ่งครึ่งกิโล5้ารอยกาเมตรมันอยู่ระดับสูงสะดวกปล่อยมาใช้เวลาเหลือน้ำเหลือน้อยเนี่ยก็มีกลิ่น กลิ่นตะกอนกลิ่นใบไม้เน่ากลิ่นตะกอนแต่ถ้าเราเปิดละมาแล้วก็ขังทิ้งเอาไว้นี่มันก็ไม่มีเป็นน้าใสสะอาดใช้สอยได้ธรรมดาแต่ถ้าเราเปิดออกจากท่อใหม่ๆหรือท่อตัวไหนก๊อกตัวไหนที่เราไม่ค่อยได้เปิดน่ะมันเป็นมักหมมไว้เปิดไปแล้วมันมีกลิ่นมีกลิ่นมันกลิ่นกรรมฐานแท้จริงไม่ใช่กรรมฐันหรอกมันเป็นกลิ่นเน่าของ ตะกอนเป็นกลิ่นตะกอนกลิ่นขี้ตมขี้โครนแต่ว่าปากท่อของเรามันลอยอยู่สูงนะเราให้ทุ่นมันดึงเอาไว้ปากท่อที่มันไหลอ อ, อกมาเนี่ยต้นไม้แถวนี้ก็อาศัยต้นไม้อาศัยน้ำที่มันมีอยู่นั่นแหละไม่งั้นน่าแรงนะ่ะตายหมดทั้งยาเยอะเลยรเนะี่ยตายมดว่าราวนี่แห้งมาก ดูไอ้ต้นไม้ตัวโตเราไม่รอด น, น, นะตายแ้แถวกุตุเสนะตายหต้องได้ดูนะอยู่ก็ต้องได้ช่วยดูกันอาหูไปนาวตาไปไร่นั่นดูไอ้นั่นอะห้องน้ำสิบห้องเลยเนี่ยอยู่หน้าสลาเนี่ยมันมาดันดินแล้วก็ดินก็ขวางทางเข้า ก็อยู่อย่างนั้นแหละดินมันดินมันตกไปในร่องน้ำก็อยู่อย่างนั้นแหละใครเห็นไหมเห็นทุกวันเห็นแต่ไม่ได้ดูคนที่จะสนใจช่วยดูแล ไ, ไม่มีน่ห้องน้ำสิบห้องเนี้ยเนี้ยดันเตือนออกสลาเนี้ย มันมดันดินใชนไหดินมันขวางทางเข้ามาเนี่ยก็อยู่อย่างงั้นแหละตกไปในร่องน้ำมันก็อยู่อย่างงั้นแหละฝนตกเรื่อยๆมันพัดไปเกือบหมดแล้วเราต้องดูเราพึ่งวัดวัดก็ต้องพึ่งเราเราอาศัยวัดวัดก็ต้องอาศัยเราทําให้มันดีให้มันร่มรื่น เราไปที่อื่นเราไปวัดอื่นเราไปสำนักอื่นเราเห็นเขาร่มรื่นที่อยู่อาศัยก็สะอาดสะอ้านบริเวณต้นไม้ใบหญ้าแะ้วก็ร่มรื่นเป็นที่น่าอยู่น่าร่มรื่นดีที่ไหนก็ตามที่เราไปเห็นก็เพราะเขาทำไม่ใช่เขาในรมิเดเอานะเขาทำมีพระช่วยดูแลมียอมช่วยดูแล มีเนนช่วยดูแลเขาทำมันไม่สะอาดก็ทำให้สะอาดมันไม่เป็นระเบียบก็ทำให้เป็นระเบียบมันไม่ร่มรื่นก็ทำให้ร่มรื่นมีต้นไม้มีร่มมีเงามีอะไรมันร่มรื่นมันก็น่าอยู่มันเขาทำเอาเท่านั้นแหละไม่มีใครเนรมิตรเอาดอก เราเอาข้อนี้เป็นอุปมาแล้วเราก็ดูบางทีเราก็ไม่อนนู้นก็ผิดอันนี้เขาผิดข้อปฏิบัติที่ถูกมันมีอยู่อย่างการขนดินนี่แล้วก็เรียกคราวาดไปขนเรียกคราวาดไปโกยเราก็ช่วยขนก็ได้หากมันจําเป็นเราทําได้ การดูแลการเอาใจใส่การตั้งตัวเป็นผู้นำเนี่ยมันต้องมีการที่จะตั้งตนเป็นผู้บริหารจัดการเนี่ยมันต้องมีไม่ใชออออ่อะไรก็งอมืองอตีนไปหมดอะไรก็งอมืองอตีนไปหมดวัดรกรบรบ อ, อย่างนั้นแหละ เดินไปเดินมาก็รอกอยู่อย่างงั้นแหละเหมือนกับเราไม่มีหัวจิตหัวใจนี่ก็ดูทีวัดไหนวัดไหนก็เหมือนกันนั้นแหละอย่างที่ว่านั่นแหละเขาดูแลเขาสร้างเขาทํามันถึงสะอาดสะอานมันถึงเป็นระเบียบเรียบร้อยมันถึงน่าอยู่ มันไม่มีใครเนรมิตเอาดอกมีแต่คนสร้างคนทําเอาเท่านั้นแหละวัดไหนก็ตามกุฏิวิหารเจดีย์เล็กๆจกกนถึงใหญ่สุดเนี่ยเขาสร้างเขาทาเอาเพื่อประโยชน์เป็นที่อยู่เป็นที่อาศัยเราพึ่งพาอาศัยคนอื่นพึ่งพาอาศัยญาติโยมพึ่งพาอาศัยพระภิกษุสามเณรได้พึ่งพาอาศัย สิ่งเหล่านี้มันมีประโยชน์ตามมาทั้งนั้นแหละมันไม่ใช่ไ ม, มไม่มีประโยชน์ประโยชน์เพื่อมาพึ่งพาใสนะ่แล้วได้มานั่งรักษาศีลได้มานั่งปฏิบัติธรรมได้มานั่งสมาธิได้มาเดินจงกรมได้มานั่งสมาธิมาภาวนาพิจารณามีมีความคิดความอ่า น, นึกคิดแล้วก็มันก็ มันไม่ใช่ของเหลือวิสัยอะไรแต่การที่จะไปทําให้ผิดศีล น, นี่ไม่สนับสนุนพระจ ะ, จะไปถากถางดินเองนี่ก็ไม่สนับสนุนผิดศีลจะไปตัดต้นไม้ไปแต่งให้มันไม่รกไม่อะไรอะไรนี่นผิดศีลก็ไม่สนับสนุนถือว่าช่วยเหลือตัวเองไม่ได้วิธีการที่ท่านให้ทํามันมีมันอยู่มีอยู่ เราต้องการใช้สอยเกี่ยวกับดินท่านก็มีวิธีให้ใช้อยู่รู้จักใช้กับปิยะโวโหหันต้นไม้ใบหญ้ามันรกกิ่งไม้มันลงสายทางขวางทางเดินทางจงกลมทางอะไรกับไรเราไปใช้คำพูดให้มันถูกใช้กับปิยะโวโหหารคือโวหัรที่ที่ถูกกับปิยะโวโหหารหหานที่ถูกพิจารางาไมา่ไง พิจารณากิ่งไม้ให้น่พิจารณาหญ้าให้แน่พิจารณากิ่งไม้ให้พิจารณาต้นไม้ให้ต้องการจะปลูกจะฝังตั้งเป็นหลักขึงเชือกขึงอะไรก็เอาพิจารณาหลุมให้ให้ก็พิจารณาหลุมให้ต้องการให้กระถมตรงนี้อ้าช่วยพิจารณาตรงนี้ให้ตรงนี้มันขาดต้องการเอาดินหน่อยช่วยพิจารณาดินให้ ก็เ ร, กรู้จักใช้คำกับปิยะบวหานใช้ถูกอยู่กูบาอาจารย์ท่านพาทำนี่นแหละกูบาอาจารย์ท่านพาพัฒนามาทั้งการใช้คำพูดอย่างนี้แหละท่านสร้างวัดมาเป็นวัดวัดบางองค์สร้างที่นี่สร้างที่นู้นสร้างสร้างสเราได้ได้อยู่ได้อาศัยได้เดินตามร่องรอยของท่า น, านก็ทำมาเท่านั้นแหละ คิดไม่ถูกพิจารณาไม่ถูกคิดไม่ถูกพันหัวตัวเอง่ะอคิดไปคิดมาเอ้ยจะเป็นไรไปเราไปขุดดินเนี่ยขุดดินก็ผิดแล้วเป็นพระต้องอบัณฑ์แล้วแต่เป็นเนนขุดได้ไม่เป็นไรเนียนเป็นอนุปัสัมบันแต่เป็นพระนี่ขุดไม่ได้เป็นสังการีพเป็นผ้าขาวเป็นหน้าเป็นอะไรนี่ขุดได้อ่า สมมติอย่างพระใช้ให้เขาทำเนี่ยพระต้องใช้คำให้ถูกพิจารณานี่ให้พิจารณาดินให้พิจารณาหลุมให้พิจารณาหญ้าให้ใช้คำว่าพิจารณากูบาอาจารย์ทั้งกคใช้มาจนสร้างวัดสร้างวา ม, มาให้พวกเราอยู่มาไม่รู้เท่าไหร่ละชะได้อยู่ แล้วก็บางคนก็ถือเคร่งถือเคร่งตามพระไตรปิฎกไม่ถือเงินไม่ถือทองไม่รับเงินไม่รับทองบางองค์มีเดี๋ยวนี้มีแซงแซงมีแสงแล้วก็อ้างมักอ้างพระไตรปิฎกแต่อส่วนที่บกพร่องกับพระไตรปิฎกอย่างอื่นเยอะแยะไม่พูดถึงพูดถึงข้อใหญ่เช่นอย่างพระเรา ใช้เงินใช้ทองเนี่ยรับเงินรับทองบางคนเหมือนกบจะโจมตีลุงตาด้วยซ้ําไปลุงตาท่านรับทองลุงตาท่านรับทองท่านเอามาเพื่อประโยชน์ของเราเนี่ยท่านไม่ได้ไปจับนะลองไปนั่งจับจับผิดท่านน่ยจับผิดไม่ได้เลยนะเขาถวายทองท่านอ้าอ้าถ้าไม่รับเขาก็มาวางไว้แล้วมีโยมมารับไปเขาก็มาวางไว้มีโยมมารับไปท่านไม่ได้รับกับมือ อดีใจดีใจเออพอใจพอใจพขาก็รัมาคนที่มาถวายเขาก็ดีใจท่านไม่ได้เอามือนไปรับท่านอมันไม่ได้เอาผ้าไปรองรับเขาก็มาวางไว้ทองนี้ก็เอาไปเข้าคลังหลวงเข้าคลังหลวงเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติแล้วก็กลับทรงผลมาปกกล้าวปกกระหม่อมของ พวกเราคนไทยทุกคนนี่แหละตอนนั้นก็ยังมองไม่เห็นมองไม่ทะลุแล้วไปยกโทษยกโทษว่าท่านรับเงินรับทองรับเงินท่านก็ไม่เคยเอามือไปรับเงินใบห้าใบสิบไปเท่าไหร่ก็แล้วแต่ท่านไม่เคยเอามือไปรับรับก็รับใบบวารณารับเช็คนี่รับได้ครูบาอาจารย์ท่านพาถึงรับใบบวารณานี่รับได้ นี้มีอยู่ในพระไตรปิดกพระไตรปิดกไม่ให้รับเหมือนไม่รับทองเงินทองเงินที่เป็นรูปประพันธ์ทองที่เป็นรูปประพันธ์นี่ท่านห้ามไม่ให้รับทองที่เป็นก้อนทอง ท, ท, ivering. ที่เป็นแท่งเงินที่เป็นก้อนเงินที่เป็นแท่งเป็นรูปประพันธ์ท่านไม่ให้เอามือร <ถ bok, S 2> ับท่านไม่ให้รับนี่ท่านตะล่อมมาให้รวมกันเพื่อรวบรวมเข้าไปเข้ากลางหลวง แต่ท่านก็ไม่ได้เอามือครับทองตัวเงินตัวทองเป็นวัตถุอนามาสเป็นของที่พระไม่ควรจับถ้ า, ามือไปจับต้องอบัตทุกกฎท่านไม่เคยจับให้เราเห็ น, นไม่ได้จับให้เราเห็นท่านหวังให้เอามารวมกันมากๆแล้วก็ไปเป็นประโยชน์แก่ชาติแก่บ้านเมืองผลประโยชน์อันนี้ก็ เกี่ยวข้องเกี่ยวกับทางเศรษฐกิจก็มาปกเ ก, กล้าปกก ม, มพวกเรานี่แหละอหมืนอนย่างชาติไทยเราที่เจอความสถาบันการเงินล้มล้มคราวที่แล้วเนี่ยถ้าเผื่อคลังหลวงไม่อยู่นี่ของเราเนี่ยเดือดร้อนมากกว่านี้อันนี้คลังหลวงอยู่และทองล้งตาก็อยู่ดีวคิดดูที่สิบสองตันสิบสองตันกว่าเนี่ยมันช่วย มันช่วยเป็นเงินหนุนหนุนเศรษฐกิจไทยไม่รู้เท่าไหร่การเงินของเราไม่ล่มไม่ล่มไม่สลายเหมือนเหมือนประเทศอื่นเหมือนชาติอื่นเพียงแต่ความเจริญมันชะลอตัวเท่านั้นเศรษฐกิจมันชะลอเท่านั้นไม่ถึงกับล่มถ้าไม่มีคลังหลวงเนี่ยเราจะเดือดร้อนมากกว่านี้คลังหลวงมันเป็นเงินสัมรองในการจับจ่ายใช้สอยเป็น เ, เงินประกันชาติเป็นเงินสัมปองของชาติหลวงตาท่านมองเห็นทะปปลุปลูโปรหมดท่านพาพวกเราทําพวกเราบอกพาการเสียสละเอาไปถาไวายท่านไม่รู้เท่าไหรต่อเท่าไรเลการไม่รับเงินไม่รับทองแต่ถ้าเขาเอามาถาวายเป็นใบปวารณาท่านกายรับใบปวารณาที่เนี่ยเขา ถ, าถาวาย ปัจจัยพันบาทเนี่ยเขาก็าเขียนประวารณาปัจจัยแก่ผู้เป็นเจ้าเท่าราคาหนึ่งพบาทในวินัยท่านท่านบอกว่าให้เรารับประวารณาได้เขาจะประวารณาด้วยปากก็ตามประวารณาด้วยหลายลักอักษรก็ตามท่านให้เรารับได้แต่แตอ่อย่าไปรับเงินแม้ตัวธนบัตรใบห้าใบสิบนี่ท่านก็ถือว่าเป็นเงินครูบาอาจารย์ท่านไม่ให้ถือไม่ให้รับ เรารับค่าของที่เขาถวายเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นทีนี้เวลาเราต้องการปัจจัยอย่างใดอย่างหนึ่งมาใช้สอยท่านให้เรายินดีในปัจจัยนั้นๆท่านไม่ให้เรายินดีในเงินในทองมีไปดูในเมรุตกะเมรุตะการุ ญ, ญาตเนี่ะเมื่อก่อนน้ําพุทธเจ้าไม่ให้รับตอนหลังมาเมรุตะกะเศรษฐีเนี่ยไปขอพุทธเจ้าอบอกว่า คนที่อยู่ในตระกูลที่สุขุมารายชาติคือคนอยู่ดีมีสุขอ่ะเวลาเขามาบวชแล้วเขาขานนูนขานนี้เขาอาจจะลําบากแต่ถ้ามีปัจจัยใช้สอยเผื่อเขาขัดงูน่นเขาเขินนี้เขาก็ต้องการสิ่งต่างๆเหล่านั้นมาด้วยคุณค่าของของอันนี้นี่พพุทธเจ้าก็สรงอนุ ญ, ญาตตามเมณเมนตกะไปขอไปทูลขอก็เลยให้รับใบปรวรณาได้ หมื่นบาทแสนบาทล้านบาทก็รับได้รับใบปะวารณาแต่ท่านให้ยินดีในของเช่นอย่างเราทำสลาเนี่ยเขาถวายมาล้านบาทเนี่ยเราก็ยินดีในในไม้ในสังเกตสีในกระเบื้องในอิฐในปูนในอะไรแต่อะไรเนี่ยเรายินดีในสิ่งของต่างๆเหล่านั้นได้แต่อย่าไปยินดีในเงินในทอง ถ้ามีอยู่ถ้ามีช่องออกอยู่แล้วก็ท่านก็ทำอยู่อย่างนี้มาอยู่เรื่อยๆทำอยู่บางคองบางคนก็ไปไปพูดแล้วก็ญาติโยมบางคนก็ไม่รู้เรื่องก็ไปหลงเชื่อกเลยขัดแย้งกันอีกอานายเป็นใครพี่ดอกไม้เงินไหมครับทองนี่ก็มีศึกษาดีเราศึกษาดีข้อปฏิบัติที่ครูบายอาจารย์ท่านพาทำเนี่ยมีอยู่ทาให้ถูก ในเมื่อท่านทําถูกท่านประพฤติดีท่านปฏิบัติชอบเป็นพระสุ ป, ปฏิปันโนพ้นกิเลสไปหลายต่อหลายองค์นั่นแหละเราเอาข้อปฏิบัติข้อปฏิปทานนี่แหละมาดําเนินตามท่านท่านถืออย่างนี้ท่านปฏิบัติอย่างนี้ท่านก็ผ่านไปแล้วอย่างนี้เราต้องการไปได้เหมือนท่านเราก็ถือตามท่านอืมีขอบมีเขตอยู่ถือได้ปฏิบัติได้ตามนี้ มันก็ไนไม่เป็นการเบียดเบียนตัวเองมากจนเกินไปพออยู่ได้พอเป็นพอไปพอได้อยู่ได้อาศัยพอได้ครบพอได้ฉันไม่เป็นเหตุเบียดเบี ย, บยนตัวเองจนเกินไปอันนี้ความเป็นอยู่ต่างๆเหล่านี้มันเกี่ยวกับพราะวินัยเพราะพระวินัยมันเป็นข้อบัญญัติที่พระพุทธเจ้าท่กทรงบัญญัติมข้อวินัยอันนี้ กิจวัตรประจำวันที่เราทำํำนี่อาจจะแตกต่างกันอยู่บ้างข้อวินัยเราล่วงละเมิดก็ถือว่าต้องอบัตอืเช่นอย่างพิษุเช่นอย่างยุงยุงกัดเราตียุงให้ตายนีย่ก็ต้องอบัตอบัตไปจิตีแล้วขุดดินเนี่ยต้องอบัตไปจิตีแล้วเราไปหักกิ่งไม้ไปเด็ดใบไม้อะไรให้มันขาดจากที่นี่ ก็ต้องอบัดปายิตีแล้วมีหลายข้อไปดูสอง้อยบเจ็ดข้อเฉพาะสิขาบทที่มาในพระปฏิโมก์สองรอยี่สิบเจ็ดข้อปารายชิกสี่ข้อสังคายเสียสิบสามข้ออนนยศสองข้อสังคารที่เสียสิบสามข้ออนิยศสอง ข, ขอ้อนิสุขียปายจิตีสามสิบข้อปายจิตีเก้าสิบ ปัจิตีปัจิติเท่าไหร่ฮะปัจิตี้ตาสิบสองข้อปฏิเทศนียะอีกสี่ข้อปฏิเทศนียะสี่ข้ออธิกรณะสมถะอีกเ็ข้อรวมเป็นสองร้อยิบเจข้ อ, อ น, นีที่มีในในพระปาทิโมกถ์ที่เราสวดทุกกลึงเดือนทีนี้ที่เป็นประเภท ขนทมทำเนียมอภิสมายจายนี่เนี่ยมีเป็นร้อยร้อยข้ออันนี้แต่ละข้อแต่ละข้อท่านปราบัตรทุกกฎไม่ปราบัตรสูงหรอกสองร้อยี่บเจ็ดข้อเนี่ยท่านจะประาบบัตรหนักๆจะอย่างปาราชิกขาดจากความเป็นพระอืแม้แต่บวชวันนี้ไปทําขาดสี่ข้อข้อใดข้อหนึ่งเนี่ยก็ขาดจากความเป็นพระสังขัยเสียสิบสามเนี่ย รองลงมาอีกอรับวชวันนี้เราไม่รู้ไปทำผิดข้อไรข้อหนึ่งต้องอมาสังเวยเศษอันนยศสองนิสกีปายตีเกี่ยวกับผ้าเกี่ยวกับราตรีขาดเกี่ยวกับผ้าขาดเกี่ยวกับเก็บผ้าเกี่ยวกับใช้ผ้าเกี่ยวกับขอสิ่งขอของขออะไรต่างๆเนี่ยต่อมา น, นิสธีปายตีปายตีเก้าสิบสอง ไปดูปฏิท้าสิบสองเนี่ยมันมีเจ็ดแปดวัดเก้าวัดนั่นเป็นส่วนยิ่ในเปนเป็นข้อที่พระพุทธเจ้าททรงบัญญัติบัญญัติแต่ละข้อแต่ละข้อ่มีคนทําผิดมาแล้วมีพระษาฮอกทําผิดมาแล้วเพราะงกาบัญญัติบัญญัติมันเป็นกิริยาที่ทําให้เกิดบาปเนี่ยเป็นกิริยาที่ที่เปิดช่องให้กับกิเลส แต่ละข้อแต่ละข้อมันเป็นกิริยาที่ประสงค์เปิดช่องให้กับกิเลสกิเลสมันจะแทรกมากิริยาทางกายกิริยาทางวาจาเป็นเหตุให้กิเลสมันแทรกมาตรงกับบัญญัติอื <c oughs> ก็เหมือนกับท่านบัญญัติสี่ห้านั่นแหละกิเลสมันจะแทรกมาทางกายเอากายไปฆ่าสัตว์ไปรักทรัพย์ไปกระพฤติผิดในกามไปพูดเท็จไปพูดซอเสียดไปกินเหล้า เอากายเอาวาจาไปทําผิดเป็นเหตุให้กิเลสมันแทรกเข้ามาทางกิริยาทางกายทางวาจาพระองค์ต้องการให้เราบําเพ็ญสมณธรรมเพื่อชําระกิเลสให้หมดไปจากจิตทีนี้ช่องบางช่องที่กิเลสมันแทรกเข้ามาพระองค์ก็ามาบรรญัติเป็นศินสินห้าสินแปดละเอียดเข้าไปอีกศินสิบของเนียนกันละเอียดเข้าไปอีก สินสองร้อยีิบเจ็ดของพระกะเอียดเข้าไปอีกยังมีสินของนางพิสณีนี่เป็นเหตุที่จะผิดสินหลายข้อสามร้อยสิบเอ็ดเนี่ยเนี่ยดูที่สินต่างกันมากสินมันเพิ่มขึ้นมากเป็นข้อปฏิบัติเป็นรั้วรอบขอบชิดปิดกั้นไม่ให้กิเลมันทะลุทะลวงทะลักเข้ามาทับถมอันนี้เป็นข้อบัญญัตินะ อันนี้ไม่เกี่ยวกับธรรมแต่เกี่ยวกับวิ น, นัยแต่ถ้าเราจะว่าโดยละเอียดตัวแล้วก็ถ้าเราจะพูดให้เกี่ยวข้องกันศีลก็คือธรรมนั่นแหละศีลก็คือธรรมะส่วนที่ละเอียดส่วนที่ปลีกย่อยออกมาเราจะว่าเป็นธรรมะส่วนห ย, ยาบๆที่จะพึงทละลักทะลวงเข้ามาทางกายทางวาจาเป็นเรื่องของท่านบัญญัติเป็นเรื่องของศีล ข้อใดก็ตามที่เกี่ยวกับเรื่องของศีลโดยลำพังนึกคิดอย่างเดียวเนี่ยจะไม่ผิดศีลแต่ทั้งนึกนึกปั๊บเนี่ยเอากายไปทำผิดศีลแล้วนึกปั๊บเนี่ย เ, เอาวายจาไปพูดเนี่ยผิดศีลแล้ว